พูดนยุกไกลเถอะ่ะไม่มาไก่ไๆนี้ยผักลส่เนี้ย น, นั่งได้ทนไหมล่ะไม่นั่งค <c oughs> ัตมาแล้วนั่งแบบนั่งคัตสมาธิ นั่งกสมาธิ <c oughs> ผู้ชายต้องอยู่หัวหน้าหัดไปอยู่ข้างหลังน่อนเขาทัก <c oughs> <c oughs> ให้จวจติ่อยให้นั่งสมาธิเยอะๆ <c oughs> ใช้แปลอ่ะ นังแปไปฟร้อมแล้ว m ะเขาบอ i ว่าเขาจ่ไปรับพระเมื่อกี้เนี่ยเรถอยู่ผมเดี๋ยวตามมาเ<ถ>บอเมีปัญหาธรรมะจะไปพูดกับเทรถเดี๋ยวจิตเป็นสมาธิเ้าก็ผ้าพระหลงเหตุตั้งแต่ละ <laughs> ไม่ใช่ไปของที่จะไปคุยธรรมะในวัด ข้าไปในยานไปในยานพรนะอเนกย้มใส่รองเท้าพระไม่ใส่รองเท้าสแสดงทำไม่ได้ยมใส่หมวกพระไม่ใส่หมวกสแสดงทำไม่ได้ในยานพระอเนะมีหมดตัวมิตรพระไม่สังรวมไิคุยกันกับรถกับบ้านโอ้ปู่หรอทำไมกลัวแท้หลปู่ประมาทเลยเอาคีเวตไปเขาเขาไปหาคุยกัน มีปัญหาอยู่เรื่องคุยกันนี่ทางนี่เขายังไม่ฟอกเทศบาลเด้ฉันยังไม่เสร็ที่เสียงข้างหลังป้วยไหว้ไหวกันจะขอปุ๋ยดันมันว่าจะปุยชาเขาก็เลยสวายหมดของปุ๋ยเขาก็บอกกับชาติโยมว่าเหม็นบุหรี่กับเสียงพระคุยกันลูกไม่ได้นอน ถ้าเขาฟังกันตาบาลไล่หนีจากนี่ที่นี่เขาไม่ทำจะว่ายังไงล่ะ <c oughs> นี่ยเรามัดละว่งออางเองพระมาปลุกขนอบรมก็ไม่เข้าใจกันเลยยิ่งให้สบายเท่าไหร่ยิ่งปรุงแ ต, ง <c oughs> ต่งท่านไม่ปรุงแตง่งไม่มีคู่กันหรอก <c oughs> <c oughs> นั่นแหะไว้ฝากเสียนไว้ตีนตกไหมตกตนไหมบอก ตังวตัวนี้เลยมันของเด็กใหม่นี้จะพูดออกมา <c oughs> เห็นไหมหรอเขาบอกออกมาแล้วภากวิจารณ์มาน <c oughs> ุรีพวกนี้ะหละ <c oughs> ไปเอาตลวงกูแหวนมาอ่างที่กันบอกว่าพฏิปฏิพันธ์เพ็น่ <c oughs> น <c oughs> อสูบุรีปฏิพันธ์ <c oughs> เขาก็ยังบอกกันเลย พุทธถวายบูรีให้พระคนนั้นเป็นบาปเป็นวันเดียวพุทธวสุวัตถวายบุูรีให้พระคนนั้นเป็นบาปเป็น <c> ว <oughs> ันเดียวภูมักยาตอวมาดิ <c oughs> เห็นว่าล่ะเขากําลังจะแต่งตั้งให้ประเทศไทยปลูกกัญชาบ้านละต้นบ้านละหกต้นเอาเกิดน้อยเตี้ยติงรูปแบบเห็นัไนะไรแบบนี้ อย่งแต่ยาบ้ากรติดมาแห้งแล้วโ <Okay. S 1> ยมขับรถเข้ามาเรื่อยัแล้วมาถามธรรมะม <า S 1> อืมดุเจตมาใกล้ๆมาทางใกล้ๆนี่ถามคนเดียวไม่เข้าท่าให้แต่คนเพื่อนได้ฟังด้วยเ่เพื่อนได้ฟังด้วยถ้าฟังคนเดียวไม่เข้าท่าพยานภาณนะหรือพูดธรรมะอืม เอ้ไว้ที่ไหนก่อนดีครับใส่ตู้เลยเสบายสดใจมีตะคนล้าวเหล้าใคลเฝ้าเล่าแน่จิ้มท้องแน่หมูเจ้านี่เอ็ดตะลักข้ามคือจกถอาแก้เป็นตุรกีได้บุ๊กแทงคิวมาได้มัดย้อนหนักแ้งคิ้วแทงคิวย้อนหนิขอบคุ้นตะแงคิว ว่าอะไรนะมุกนี้นี่ครับตอนที่ภาวนานะครับไม่ทราบจะแก้ยังไงมันถ้ามีเสียงดังแล้วมันสะดุ้งครับอืมตรนั่นแหะจิตจนสมาธิอืมเสียงดังมันสะดุ้งก็ทำให้จิตนิ่งพยายามให้นิ่งถุกอื่นยิ่งกลัวกลมสงบไม่มีถ้าจิตนิ่งแล้วเสียงเครื่องบินเสียงอะไรไม่ได้ยิน <c oughs> เสียงก็ไปทางนวนเราเอาแต่เพาะอยู่ตัวนี้ มันมีหลายอันดับคันิะอะอปนาอุปาจาระถ้าไปถามกับรถพูดกับรถบางทีจิตของเรารวมมากับหลงทางมาไม่วัดพาวัดไม่ถูกแล้วดังสมาธิหัวต่อถตาจิตเข้าสงบแล้วนั่งอยู่ตลอดวันจังคำขึ้นยังรุ่ ง, งไม่ต้องทานอะไรก็ดังได้ยังมีอยู่นั่นพอตลบนิดหน่อยเข้าสมาติเงียบแต่ทานั้งหันทานอะไรก็ไม่ต้อง ให้มีคนคนหนึ่งไปเรียกไปเขย่านุ่นมันจะได้ทานอาหารเพราะฉะนั้นไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าถ้านั่งมันรับให้เดินจงกรมเอาและก็นั่งสมาธิให้เลียมต า, าก็ไปแก้ไขเขาก็หายหายสมาธิหัวต่อแล้วมันไม่รู้สึกสมาธิหัวต่อท่า <c oughs> นให้สงบนิ่งท่านนิ่งแล้วไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาเพราะไม่นิ่ง ไม่นน่งแล้วก็ยังแสดงออกนะคนในโลกนี่คนเราชอบยุ่งเห็นไหมนะแต่ปรุงแต่งเรื่องนู่นเรื่องนี่หาแต่เรื่องยุ่งถ้าเอาธรรมะมาแปลนะหาแต่เรื่องยุ่งมาใส่ตนเองอเพราะฉะนั้นพรจายามดูตัว น, นี้ล่ะตรงนูนเขาก็ถามเหมือนกันนี่ตรงนูนว่ามันเจ็บมันปวดตรงนู้นตรงนี้จะทำยังไงมันไม่เกบขามันเจ็บไม่เป็น ต, ตัวเก็บตัวอยู่ที่นี่อยู่ที่ลมหายใจนี่ถ้าดูลมเราก็ไม่มีความเก็บความปวดอกนี่ใจไม่อยู่กับลมเพอะเป็นนิดหน่อยเจ็บแข้งเจ็บขาเ จ, บ ون, เจ็บนู่นเจ็บนี่แข้งขามันเจ็บไม่เป็นใจเ อ, อิบอับไปด้วยกิเลสนั่งอยู่ในคันน่ะมนะันไม่เห็นกระดูกกระเดกห่ะแต่ mm hmm. ให้บงังบาง he talk about uh, when meditation we feel pain Um, he said, your physical body not feel anything. It's just your mind that tell you that it's pain. So, it's, for example, like when you before you getting birth, you in the womb, why you not feel anything? Because you you d o that that that's why. The p a r t y one. So, how many days you gonna stay here? A little day. Okay, Papa. o k y i a c One day, okay. ว้ oh. ในวันเดียวก็ดี <So> แต่นั่งคืนเดียวก็ดีแต่ดูนั่งดูไหมเมื่อคืนนี่เงียบดีไหม How you meditation last night? Good อ oh. ดีอยู่ครับผอ uh. ถ้าหยุ ด, ดีกยวหน้าก็มาอีก So we have free time next time จะทำทำเอ่ยไม่งั้นเดี๋ยว <Thank you. S 2> อาจารย์นงแบบนี้จา่าเต้ <laughs> <laughs> แต่ไง So uh, if you not come here, uh, maybe your wife will leave you. No, <laughs> oh, no. If you are together, you come here together. Yeah. Ah, like this, <laughs> l love one person. He said, "Don't love my husband. Don't let y husband come." The house is not rented. e d o n t buy. call me. Let's eat. Everybody to bring their t h e spouse, their partner to come here because it's free. No, mm -hmm. no need to pay for anything. The i t สอนอาหารใจให้มาเลี้ยงใจไปเลี้ยงทไมร่างกายมันเปือ Temple give you the your mind food, the food for your mind. s mm o -hmm. So, so um, your body is is is is burden. Your body. พิเศษคือร่างกายเป็นภาระอยากเบาก็ให้เข้าดูนี่นล้วก็ได้มีสติมีปัญญาประเทศไทยมีวัดจีวัดมีแต่บอกต้องมาอะไรสวายสังฆทานจุดทูปจุดเทียนสวายสังฆทานตรวจน้โยมไม่เห็นบอกทำบุญ Most of the monks not tell you to do meditation just tell you to do just generosity มันตัวท่ายก็หลงกันไปหมดพระก็หลง ยอมลูกปิดวัดก็รง so the monk and the people will w just go to the wrong direction ไม่เน้นหนักจุดนี้แหละคขาว่าทำบุญทำบุญปิดหูใจขวาปิดตาสองข้างปิดปากซะบ้างแล้วนั่งทำบนญ to do meditation to close your eyes close your ear and more important close your mouth t h a t the way to do meditation มีเรื่องอยู่ที่พูดกันอยู่นี่หลว่าไม่ปิดปากนะแต่ most important is close your mouth เห็น ไ, ไหมเราพูดแล้วมันก็ไปเข้าหูคนอื่นมันก็เป็ น, ป น, ปนอันตรายแล้ว <c oughs> พูดทําไมเราบอกพอเศ้าหาบันเอาบอได้เปิดภูมิไม่คว่ำเบาอย่างหลายหรือพอไปเตือนเจ้าของนพอะพระก็ไดมาซอยเผยแผ่วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าทําไมาจะมาเผยแพร่แบบโลกิยะถ้าแบบโลกิละ่ะมาทําไมข้ามน้าข้ามทะเลขึข้นเครื่องบินมา ย, า, า, นายุ่งยากวุ่นวาย ไปไปวุ่นไปวุ่นอยู่นะ <c oughs> ปัญหาปัญหาทําไมไม่ท่องดูเราสร้างปัญหาหรือเราจะปิดปัญหา <c oughs> นั่นยอมก็เหมือนกันละของลงมาแล้วเอาไปเสียงใส่แน่บุ่นเนี่ยของมีเจ้าของเอาไปใส่เพได้เอามาเด้วหรือว่าของยมติมเอามาตะโพนสร้างมาตักมังไถ่ฝนเพระเาะฉะนั้นของจะเอาไปจะใส่ความรอบเพราะอย่นตี หาความมีโอกาสใจแปลไหม To come here to find a peaceful for your mind, the first step to find peaceful for your mind is to be quiet, not not to think about anything else. And whatever uh, generosity that people bring in here, they want to uh, come here and show to everybody first. Don't take it. นี่ก็ให้นะเอาให้นะอยู่ก็ได้นะ ก็เพราะว่ามันหลายคนนเอาแต่จะของผู้เดียวมัก็พอยากแล้วมนใจพอบาตอคนอพ่อว่าพาอย่างล่กพอาู้ยววัตถิใจชินหนังน้อพ่นั่าลูกอย่างหลหลายท่อลูกพระ so he said he he t lead monk he had to take care of everybody so it's it quite difficult นี่อากาศเยียก็ได้หัวหน้า ให้ผูน้นั้นน่อยให้ผู้นี้หลายหากผู้นั้นหน่อยหากผู้นี้หลายต้องให้มันเท่ากันรักเท่ากันคนนั่นอี่ยมก็เอี่มเหมือนกันคนนั่นหิวก็อิ่เหมือนกันเ uh, so, รา r ยาย s มที e จะแบ e งความรัองเท่ า, ง, างๆียปเป็ น, นอยากกเพราะนต่างกันางคน็อบนากางคนอนอย า, อ า, างคนกอบกนเยอางคนอบกินน้อยบางคนก็ชอกินเยอะบงนกบกินน้อบาก็อกนเป็บานปรับกินน้ ผิดถึงผิดทำไปแล้วโยมก็เหมือนกั น, น่ะจะไปยึกจักให้เหลืออยู่นั่นแหละเอาความกบฉันไปแล้วอพอแล้วเอาไปสะสมไว้บางทีคนไม่รู้จักโอ้มางนี่เอาไปถวายพระนั่นไปแล้วด้บัดนี่พระก็เห็นพวกโยมมาถวายฉันไปโรอดจากมันยังเป็นปรมัตเพราปรมามัดดีบัดนี่นี่ไงห้ามว่านั่นแหละว่าจะไงเฮ็ดแล้วก็ไปเฮ็ดจุบสาวจะไงถันเตี่ยว วันตันใบกับปาร้ามัดขาวเดียวก็ไปแตงปาร้ามัด ต, ตุงเที่ยวกับย้อมกับเพียดกันอีกผู้นั้นเห็ุเป็นผู้นี้เห็ุเพาเป็นนั่น <c oughs> ไปอย่างนั้นเพราะนี่นะมันขาดปัญญาเข้าใจไห้หาความมีเอาแ ก, แก่ถ้าไม่มีมันสบายพระเจ้าสอนให้สบายแต่คนเอยชอบยุ่งเพราะเราไม่มีบุญไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรูป วนรอบรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญาทานศีลภาวนาได้แต่ทานศีลกับภาวนาไม่มีผลสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาถ้าบอกอะไรเชื่อเชื่อคนบอกอะไรก็เชื่อเชื่อหนังสือเขียนมาก็เชื่อเชื่อต้องปัญญาคนที่จัดสอนหาสองหาโลกวิถีโลกแก้งโลกคือผู้พระเจ้า มีปัญญาโลกกวิถูโลกแกงโลกแล้วผู้เจ้าหาสิมาธรรมมาสอนคน The Buddha taught you to extinguish desire from your mind. The basic, the basic is just uh don't don t take anything that does not belong to you. Oh uh, and he, he said uh, the Lord Buddha teach you to do generosity, uh, morality, and uh, meditation most of the day. Most o t f the time, people do only generosity. They neglect to do virtue, uh, morality, and uh, meditation. So when you not do meditation, you don't have knowledge. You don't have wisdom. So that's why you go to the wrong direction. y a a i So anybody have any question? t h e e m a o h i n g n So you will bless everybody. <coughs> ท้บลูกาเวนมมตัส